วันอาทิตย์ที่15มิถุนายนพศ2540เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุตบาท อ, อาจารย์สุทเทพโพธิสัธธตย์พาท่านสาธุชนที่เคารพลัะก็เริ่มการบรรยายประสูตรที่มีชื่อว่าสูตรซีมาสูตรสืบ ต, ต, ต่อจากคราวที่แล้วประสูตรนี้มีความยาวถึง แปหน้ากระดาษแล้วก็ได้อธิบายเมื่อคราวที่แล้วมาจนถึงประเด็นที่สิบสองในประเด็นที่สิบสองที่ขึ้นหัวประเด็นที่อยู่ในหน้าหกเนี่ยครับว่าธรรมาทิฏฐิญาณนิพพานญาณวิมุตติญาณสามญาณซึ่งที่จริงก็เลยไปถึงวิมุตติญาณนัศนะนด้วยพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัส โดยลำดับมาจนถึงว่าเมื่อบุคคลเห็นขันห้าโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกๆกรณีไม่ว่าจะเป็นขันอดีตปัจจุบันอนาคตขันใกล้ขันไกล ข, นขันภายในไปนอกก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายดังที่ตรัสว่าเมื่อรู้เห็นอยู่อริสาวกเห็นอยู่กอเห็นอยู่ได้ยานอย่างนี้อย่างนี้คืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ารูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มาจนกระทั่ทงถึงว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตใกล้ไกลหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราย่อมเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตรงนี้บาลีใช้คำวันิพิธาซึ่งเป็นชื่อของวิปัสนาญาณ อ, อีกขั้นหนึ่งถ้าแบ่งอย่างบางที่นะอีกขั้นหนึ่ง อีกขั้นหนึ่งก็หมายถึงขั้นที่ที่สูงขึ้นไปในนี้มีเอกสารประกอบนี่นะครับก็คื อ, เ, อ, อเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายตามเอกสารนะครับให้จำในงานเป็นวิปัสนาญาณเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับการเห็นนามเห็นรูปของผู้ปฏิบัติวิปัสนาคือผู้ปฏิบัติวิปัสนาเนีเห็นความเป็นจริงเขารูปเวทนาที่ยาสังขารวิญญาณแล้วก็เบื่อไม่รัก เพราะว่าผู้รักลูกเวทนาทยาทางการมิยฉาเ น, น้นเป็นผู้ที่ไม่เห็นตามความเป็นจริงความรู้สึกก็ไปคนละทางตามความรู้นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนับบาลีใช้คําว่าวิราค่ะเป็นชื่อของมัรและย่อมหลุดพ้นเป็นชื่อของผลระยานใครที่ยังไม่ได้สูพศนะขอขอให้ไปรับนะไปรับข้างนอกยังมีเหลือครับไม่งั้นจะฟังไม่สะดวกเมื่อหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นก็คือเมื่อเกิดผลลยานแล้วเนี่ยก็มียานอย่างรู้ยานอย่างรู้ตอนนี้เป็นชื่อของปัจเวสขณะยานว่าหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วถ้าเป็นฆราหนก็ไม่มีเหลือแล้วก็รู้ว่าอนาคตของตัวเองเป็นอย่างไรชาติสิทธิแล้วประอาจันอยู่จบกิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความอย่างนี้ไม่ได้มีนี่อ่าในนี้ก็รวมบทสรุปที่พระเจ้ชชาตรัสไว้ตั้งแต่วิปัสนาญาณ มัคคยานผลระยานและปัจจเวคขณะยานด้วยข้อความที่ปรากฏในประเด็นที่สิบสองนี้ก่อนอื่นเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงวิปัสสนาบางทีท่านจะแบ่งเป็นเป็นช่วงไว้ว่าวิปัสสนาเป็นช่วงแรกในเป็นช่วงรู้รู้สภาวะ ต้องรู้สภาวะซึ่งจะมีเป็นสองอย่างคือช่วงรู้ตัวสภาวะกับรู้อาการของสภาวะกับอีกช่วงหนึ่งคือเป็นช่วงที่เป็นความรู้สึกต่อสภาวะทั้งตัวและอาการเรียกว่าอิพีธาเนี่ยครุมหมดเนี่ยนี่เป็นการแบ่งให้ให้เห็นถึง ขีขั้นของวิปัสนาเวลาคือวิปัสนาที่รู้ว่าเป็นวิปัสนาญาณต่างๆเนี่ยครับเศระฐญาณเนี่ยที่พูดพูดแบบขมวดเข้ากลุ่มอย่างในพระสูตรนี้ที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่ารู้ขนันหน้าทั้งขั้นสังเขตแล้วก็ขั้นละเอียดเนี่ยเป็นขั้นรู้ตัวสภาวะรู้สภาวะธรรมคือรู้ตัวสภาวะธรรมว่านี่เป็นรูปไม่ใช่ตัวตนคนสั จากเหตุจากปัจจัยแล้วก็รู้อาการว่าไม่ใช่ตัวตนไปในยังทักวหน้าตาในขั้นรู้ตัวสภาวะของนามรูปแล้วก็มาถึงอีกขั้นหนึ่งคือขั้นรู้สึกคือเกิดข้าในสภาวะธรรมนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าสภาวะธรรมนั้นไม่ว่าตัวสภาวะธรรมเรื่องการของสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่น่าเบือ่ออ่าตรงนี้แนะถ้าจะเอากันแบบลงชัดเจนลงไปอย่างวิปาาัสสนาญาณ ยานหนึ่งยานสองยานสามยานสี่ยานห้านี่รู้ตัวสภาวะยานสี่กับยานห้าน่ะรู้อาการยานหนึ่งยานสองยานสามน่ะรู้รู้ตัวไอชันรู้ตัวก็มีจับลักษณะได้ก็คงจะรวมอยู่ตรงนี้จับลักษณะแล้วก็เหตุปัจจัยก็อยู่ในลักษณะสี่ประการนี่แหละครับพอรู้ตัวรู้อาการเสร็จแล้วถึงมีความรู้สึกว่านามรูปเป็นสิ่งน่าเบื่อหน่ายและจากนั้น เดี๋ยวพูดต่ออนนี้คือว่ากำหนดตั้งแต่ยานหกนะยานหกยานเจ็ดยานแปยานเก้ายานสิบสิบเอ็ดสองเนี่ยรวนแล้วแต่มีความรู้สึกในทางปฏิเสธนามปฏิเสธทูกนั่นเป็นเป็นช่วงตอนหนึ่งของวิปัสสนาจากนั้นจึงเป็นขั้นของโลกุตระก็จะเป็นมกมักคยานผลรยานแล้วก็ต่อด้ดยปัจเจเวคเนี yeah. ่ย ก็มีเป็นสองช่วงอย่างนี้ขั้นวิปัษนากละขั้นโลกุตรายานมัคคยานผละยานแล้วก็ต่อไปจเวขณะอย่างเข้าไปทีนี้จะให้ดูเอกสารประกอบที่ขึ้นหัวข้อปฏิทศิศคืออธิบายขยายหรืออธิบายสืบเนื่องเนื่อความสำคัญของสูตสีมาสูตรสำหรับพระอรหันต์สองประเภท ที่ถือเป็นเรื่องหลักเรื่องประเด็นปัญหาของสูตรนี้แต่ก็ถือเป็นหลักฐานที่จะกล่าวได้ว่าพ้าอาหารหันต์เนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทคนจะบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ก็มาจากสองสายคือสายวิปัสนาลวนเรียกว่าสุขะวิปัสสก์ที่แปลตามศัพท์ว่าเห็นแจ้งโดยแห้งแล้งก็คือทำวิปัสนาอย่างเดียวในเรียกว่าเป็นผู้แห้งแล้งคําว่า สุขขาตัวเนี้อย่างใบไม้แห้งเขาจะเรียกสุขขาปัสุขขาปัต า, ตตาใบไม้แห้งแปลว่าแห้งแห้งแรงเอ่อทำไมถึงเรียกว่าแห้งแรงเพราะว่าผู้ปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีเครื่องผ่อนแรงไม่มียาบํารุงเครื่องบํารุงเครื่องบํารุงในทางปฏิบัตินั้นหมายถึงสมาธิการได้ฌานคนที่มีฌานในใจจะชุ่มยำเป็นต้นอยู่แล้วเวลาทําวิปัสสนาเนี่ยจะไม่รู้สึกลําบาก ไม่รู้สึกเหืดแห้งในใจไม่รู้สึกว่ามีอุปสรรคเดือดร้อนเหมือนอย่างคนที่ไม่ได้ทําฌานได้ลองคิดว่าคนทํำฌานแค่ได้ฌานได้เราก็เกือบจะยกให้เป็นพระอาหารหันต์อยู่แล้วคนได้ฌานก็มีความสุขเปลี่ยมร้นอยู่แล้วเกือบคนได้ฌานเองก็เกือบจะคิดว่าไม่ต้องไปทําอะไรแล้วแค่นี้คือความสุขเหลือหลายทีนี้คนเนี่ยเมื่อสุขภาพมีสุขภาพจิต ด, ดีมีความสุขดีไปทําอะไรมันก็ง่ายไปอ่ะง่ายไปหมดมีความสุขไปหมด ดังนั้นการทำวิปัสนาที่มีสมาธิด้วยถึงแม้ไม่ได้ชานเนี่ยสมาธินั้นก็จะเป็นเชื่องเป็นเครื่องช่วยทําให้การทําวิปัสนาแบบนั้นทําแล้วมีความสุขกเกษมถ้าทํำล้วนๆก็ลําบากครับทีนี้สุ ข, ข่าวิปัสสกา์เนี่ยท่านเรียกอย่างว่าวิปัสนาญาณิกคือมีวิปัสนาเป็นญาณเป็นพาหะเป็นพาณนะําไปสู่นิพพานอย่างเดียวนั่นเองตรงกันข้ามกัน ที่เป็นกรณีที่สองของพระหลานชานลาพีผู้ได้ฌานเรียกว่าสมถยานิกแปลว่ามีสมถะเป็นพาหะที น, นี้สมถตตัวเนี้ยท่านหมายถึงต้องได้ฌานนะครับถ้าสมถะที่เราทําขั้นไม่ได้ฌานอย่างอกรณีของท่านอุบาขินท่านก็สอนให้ทําสมาธิก่อนแล้วก็ต่อดูปัสศนาไม่ถือว่าเป็นสมถตยานิกเพราะไม่ได้ฌาน แค่เป็นสมาเป็นสมาธิดีกว่าพวกที่ไม่เอาสมาธิหน่อยอย่างถ้าเป็นแบบของท่านท่านอูวิลาสที่อาจารย์แนบมาเผยแฝ่นี่ไม่เอาสมาธิเลยไม่เอาเลยครับไม่ต้องการให้เกิดสมาธิเลยเวลาทําแบบนี้ซึ่งผมเองเคยทํามาก่อนวิธีอื่นก็เข้าสํานักแต่อีทําตามเองก็ทํามาหลายวิธีแต่ที่เข้าสํานักคือทําวิธีนี้ก่อนแล้วก็เคยอยู่นานที่สุดถึงหนึ่งเดือนก็แห้งแรงจริงๆ แ, แรงแหลงสมชื่อมันก็ได้ความรู้สึก อ, อ, อุปสรรคเยอะอยง่ายอุปสรรคในทางปฏิบัติภายในเนี่ยนะเพราะว่าเรามีไม่มีฌานไม่มีสมาธิเป็นเครื่องทุแลงแต่ถ้ามีฌานแล้วก็ก็ดีคือทีนี้ไอ้จุดที่มาร่วมกันของสุขาวิปัสสกากับชาน ล, ลาภีหรือวิศนายานิกกับสมรยานิกคือคนได้ฌานเนี่ยจะมีสองระดับได้รูปฌานเรียกว่ารูปฌานลาภี ถ้าได้ถึงอรูปฌานชื่อว่าอารูปฌานลาภีสองคนได้ฌานสองระดับนี้เวลาบรรลุเป็นพระอหรหันต์แล้วถูกจัดจําแนกแยกไว้คนละสายเราได้ยินว่าพระอหรหันต์มีปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นโดยปัญญาปัญญาตอนนี้หมายถึงวิปัตนาปัญญาและอุปโตภาควิมุตต์หลุดพ้นทั้งสองส่วนสองทาง หรือสองสายได้แก่อ่าอย่างปัญญาวิมุตต์นี่จะไปเรียกกระโสดาบันก็ไม่ได้นะเพราะวิมุตต์จะหมายถึงอหรหันต์วิมุตต์จะไปเรียกว่าอนาคามีก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าพระอรหันต์วิมุตต์หมายถึงหลุดพ้นขั้นสุดยอดในสายของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกอย่างเราไปทําได้ถึงจะเป็นคนปัญญาจฉลีแล้วทําได้ชัีดานห้าก็เรียกปัญญาวิมุตต์ไม่ได้ เป็นริยะชั้นต่ำยังไม่ได้ก็คือวิมุตติังอัลหันตวิมุตติหรืออุปอ ป, ปัจเจโตวิมุตติความหลุดพ้นที่ไม่กำเริกอีกไม่มีกิเลสเหลือแล้วที่หลุดพ้นด้วยปัญญาที่ได้จากวิปัสสนาล้ ว, ลวนๆก็ดีหรือแม้มีรูกประชานเป็นปัจจัยท่านก็ถือว่าเป็นปัญญาวิมุตติเหมือนกันตกลงปัญญาวิมุตติมีสองปัญญาวิมุตติที่ได้ฌาน ไม่ถึงที่สุดจะได้แค่รูปประชาแล้วก็ปัญญาวิมุตติไม่ได้ฌานตรงนี้ถ้าอธิบายละเอียดขยายออกไปก็มีเรื่องราวชื้มุ์เชเกเยอะอย่างเช่นว่าพวกปัญญาวิมุตติอย่างเราเราทำเป็นปัญญาวิมุตติใช่ไหมถ้าไม่ได้ฌานถ้าบรรลุเป็นฌาเป็นปัญญาวิมุตติแต่ถามว่าทุกคนที่ไม่ได้ฌานเวลาบรรลุปเป็นปัญญาวิมุตติและหมายความว่าเป็นปัญญาจริตเหมือนกันหมดหรือเปลไม่ใช่เอ๊ะปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาแล้วทำไมไม่ใช่ปัญญาจริตราคะจริต ทำวิปัสนาล้วนหรือทำฌานได้รูปฌานเท่านั้นเป็นอาหั์ก็เป็นปัญญาวิมุตต์ทำไมไม่เรียกราคาวิมุตต์ล่ะทำไมไม่เรียกศรัทธาวิมุตต์ก็เพราะว่าไอ้จริตกับกระบวนการของผู้มีจริตต่างกันมาทำเนี่ยมาทำบนวิปัสนาปัญญาเหมือนกันท่านไม่ได้เรียกปัญญาวิมุตต์ด้วยอำนาจของจริตแต่เรียกด้วยกระบวนการของการบรรลุคือกระบวนการการบรรลุคือบรรลุ ด, ด้วยวิปัสนาล้วน ถือว่าใช้ปัญญาวิปัสนาเป็นเครื่องมือจะหลิดไม่เกี่ยวใครจะจะหลิดไหนเวลาจะบรรลุเป็านาต้องทำวิปัสนาก็คือจเจริญปัญญาจเจริญอี่ปัญญาตัวนี้อย่างนี้มาดูอุปโตภาคาวิมุตตหลุดพ้นทั้งสองส่วนก็เพราะว่ า, าถ้าเราจะเทียบศีลสมาธิปัญญานะนี่ฟังใดีนะสุดยอดของปัญญาคืออะไร คืออรหันต์สุดยอดของฌานคือฌานไหนอรูปฌานที่สี่ในนี้เขาพูดถึงผู้หลุดพ้นฌานขั้นสุดยอดได้ฌานขั้นสุดยอดด้วย <c oughs> เป็นความหลุดพ้นในสายโลเกียนะแต่ว่ามาเกิดพร้อมกับโลกรัตระก็เลยกลายเป็นโลกรตระฌานไปและหลุดพ้นสุดยอดทางปัญญาคือเป็นอรหันต์ด้วยจึงเรียกว่าอุปโตภาคาวิมุต เองผมก็จะพูดให้เห็นว่าถ้าหลุดพ้นขั้นสุดยอดในทางวิปัสสนาเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสทุกอย่างใช่ไหมความติดกิเลสทุกอย่างพ้นหมดถ้าหลุดพ้นขั้นฌานเราจะเห็นว่าฌานที่หนึ่งพ้นจากการมวิตกและฌานอื่นก็มีการหลุดพ้นมาโดยลําดับอย่างที่เคยพูดถึงแล้วแต่ละฌานแต่ละฌานพอมาถึงอรูปฌานที่หนึ่งก็หลุดพ้นอะไรบางอย่างไปโดยลําดับของแต่ละฌานพอถึงขั้นอรูปฌานที่สี่เนี่ยหลุด พ้นความผัวพันุ์ในนามในกามนะ่ะรูกประชานเขา้าเข้าละให้แล้วเขาขมไปแล้วพอมาได้รูกประชานเขา้าความผูวพันในรูปก็ไม่มีนี่เขาเรียกว่าหลุดพ้นอย่างขั้นสูงสุดของสายชานสายโลกีแต่ไม่หลุดพ้นจากกิเลสขั้นละเอียดพี่ถามว่าหลุดพ้นในรูปหลุดพน้นหลุดพ้นในกามก็หลุดพ้นในนามเนี่ยพ้นว่ายังไงก็โทษเราพ้นในรูปในกายกับในกาม อารมณ์ประชานในพ้นนมำนะข้าพเจพูดผิดแต่พอมาทํำวิปัสนาเนี่ยเขาเพิ่มความหรือพ้นในนามด้วยพ้นแบบสมุเดเขตก็คือเป็นาราดานเรียกว่าสองสายอย่างนี้เพราะาตัวเราก็มีสักกายเรามีสองอย่างคือกายกับกับนามสองอย่างและในทางกายก็ไปเนื่องด้วยกามอันหนึ่งก็แยกกิ่งออกไปกายหนึ่องในกามกับกายไม่หนึ่องในกาม กายถ้าเป็นคติอย่างพวกเราก็เป็นผู้มีกายที่เนื่องในกามถ้าเป็นพลมรูปกระโงก็มีกายที่ไม่เนื่องในกามแต่ติดโรคติดความรู้สึกมาทำํำวิปัสสนาก็ถอนความติดในนามไปได้ก็เป็นขั้นๆอย่างเงี้ยคือถ้าเราเทียบขั้นว่าคนหลุดพ้นความติดในกามพราอมาหลุดพ้นความติดในกายไอกามไม่ใช่โผล่ขึ้นมานะหายไปด้วยเรียกว่าหลุดพ้นทั้งสองขั้น พอมาทมําวิปัสนาหลุดพ้นในน้มก็หลุดพ้นในกองในกายไปด้วยหมดและทําให้เป็นสมุดเช็ได้นี่เป็นเป็นประเภทของพระอรหันต์ที่ทําแผนผังให้ดูอย่างนี้คราวอ่าเมื่อกี้ผมว่าจะต่อยนิดนึงว่าสุดยอดของของศีลนี่คืออะไรศีลห้าสุดยอดยังศีลสิบสุดยอดยังยังสุดสุดยอดของศีลก็คือศีลสองรอยี่สิบ เรียกว่าสุดยอดของศีลหมดแล้วหมดเียกวศีลหมดสต็อกลคนบวชได้เนี่ยหมดเลยองอยี่เจ็ดนี่เรียกว่าสุดยอดคนที่บวชได้เนี่ยแปลว่าสามารถที่จะลดละอะไรในขั้นที่ศีลละได้อย่างสมบูรณ์คืออันนี้สุดยอดของสมาธิคือรูปฌานและสุดยอดของวิปัสสนาคืออารหาันต ในขั้นสีในะส่ยจึพูดว่าเป็นอุดมเพศเพราะเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ที่สุดที่นี้เรามาคิดนะว่าคนเนี่ยถ้าบวชรักมีศีลสองรอยยี่บเจ็ดและมีหน้ำํำซ้ําประบวชแล้วมาทาําฌานได้ฌานแปดแล้ว่าทําพิวัฒนาง่ายขึ้นหรือยากขึ้นง่ายขึ้นใช่ไหมละ่ะง่ายขึ้นนั้นาการบวชเนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างนี้ที่คนสงสัยบวชแล้วจะมีประโยชน์ยังไงคือมีประโยชน์อย่างนี้ อแต่ว่าเราเนี่ยเราใช้การบวชนั้นให้เป็นประโยชน์ไปโดยลําดับได้แค่ไหนและเหมือนคนได้ฌานเนี่ยได้ฌานและใช้ฌานนั้นให้เป็นประโยชน์โดยลําดับขึ้นไปได้แค่ไหนเนี่ยเรียกว่าใช้เครื่องเครื่องอนนา น, นาุกรอบรมตะจันที่สูงกว่าขึ้นไปได้แค่ไหนต่างกันตรงนี้อันนี้มาดูปริญญาที่เราพูดเกี่ยวข้องไว้อ่าในหัวข้อปริญญาสี่กับปริญญาสามกับยานสี่และยานสี่ปริญญาสามเนี่ยนะ ธรรมถิฎิยานที่สูตรนี้พูดถึงถ้าในสูตรเียเราอนุโลมเป็นอันเดียวกันกับนิพิทายานและวิปาาัสนาญาณคือการเรียกชื่อเนี่ยแต่ละสูตรอาจจะแตกต่างผมอธิบายก็จะชวนดับสนมาเอาเป็นว่าให้มันสอบกล้องกับสูตรนี้เป็นหลักจะเรียกว่านิธรรมถิฎิยานหรือนิพิทายานหรือวิปัสนาญาณอันเดียวกันสําหรับในนี้นะครับและในที่อื่นก็แสดงคล้ายๆอย่างนี้ก็มี ต่างกันบ้างก็มีอเดี๋ยวจะพูดต่างหน่อยว่าใครฟังได้ก็ฟังกัแล้วกันธรรมัธยีติยานบางแห่งท่านหมายถึงยานหนึ่งยานสองบางแห่งหมายถึงยานสองรำมัธยีติยานนะนิพพิทายานเดี๋ยววันผมพูดว่าท ร, รมทธยีิยานเนี่ยบางแห่งหมายงนั้นบางแห่งหมายถึงวิปัสสนาทั้งหมดแล้วก็นิพพิทายานบางแห่งหมายถึงยานแปดเท่านั้นบางแห่งหมายถึงวิปัสสนาทั้งหมด บางแห่งหมายถึงยานหกขึ้นไปถึงอนุโลมยานเรียกนิพิธายานเนี่ยมัง่งวุ่นวายอย่างนี้ครับเวลาพูดหมายความแต่ละที่แต่ละที่สำหรับในที่นี้ท่าหรับที่นี้ผมให้ท่านจำง่ายๆว่าเป็นชื่อของวิภัสนายานทั้งหมดก็แล้วกันคราวนี้มาเทียบในแง่ของปริญญายาตาปริญญา รู้ตารู้ตัวสภาวะเทเรณาปริญญารู้อาการของตัวสภาวะไอวงเล็บข้างหลังนะั้นไม่เกี่ยวกับที่ผมพูดะนะแล้วอหารนาปริญญารู้ในขั้นละกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวสภาวะและอาการของตัวสภาวะนั้นเรียกปาหารนาปริญญาคือถ้าพูดเป็นแบบไง่ายๆคือรู้รู้ตาม ตามเป็นจริงของตัวสภาวะเรียกยาตาปริญญารู้อาการของตัวสภาวะเรียกปีละนะที่แล้วพิจรารณาต้องเหลือซ้ายแลขวาดูรอบรอบด่านถึงเรียกว่าพิจรารณาดูด้วยานนะครับไปเห็นอาการของมันอย่างนถ้าเทียบว่าเห็นเวทนาวสวยอารมณ์สวยอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ารู้ตัวสภาวะรู้ลักษณะแต่พอดูาอจุดเริ่มต้นของเวทนาอยู่ตรงไหนจุดแตกไปของเวทนาอย่างไหนเรียนรู้อาการ คือมันต้องสงกไปดูตรงนั้นนี่ตึเรียกว่าเป็นพิจารณาเหมือนเราเอาของมาพิจารณานะาของนี่ไอ น, นี่เขาเรียกปากกาเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาดูปากกานี่มันเป็นยังไงทําโดยอที่ไหนอะไรเงี้ยหัวอยู่ทางไหนหางอยู่ตรงไหนอายุการใช้งานนานเท่าไหร่รียกว่าพิจารณาดูรอบๆเอกตินละนะอาหานะก็คือเมื่อพิจารณาเห็นสภาวะนั้นโดยอาการครบถ้วนแล้วการละก็ เกิดขึ้นเลยว่าโอ้โอนี้ไม่ดีไม่เอาไม่ชอบไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อคุณในเียบอนวิปัสสนาญาณหนึ่งสองสามเป็นยาตาปริญญ า, า, 4, า ญ, ญาณสี 12, เ่เป็นเตนะปริญญาญาณห้าถึงสิบสองคือพังคยานถึงอนุโลมญาณเป็นปะหานะปริญญาพูดแล้วเดี๋ยวก็จะค้างกันสหรับบางคนว่าพังคยานที่เห็นความดับในความจริงมันรู้อาการแต่มันเริ่มเข้าเขตของการ การเบื่อแล้วมันเข้าเข้าสู่จุดในเวลาเขาสงเคราะห์เนี่ยก็ต้องสงเคราะห์ว่าพอยาน4เห็นความเกิดดับนั่นไอความน้ำหนักมันไปอยู่ที่สนใจข้อเท็จจริงของอาการพอยาน5เนี่ยมันเริ่มเลือกที่จะดูความดับแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในความเบื่อหน่ายความคืบคลาก็เริ่มจะเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้เป็นเป็นเขตลมแดนและความเบื่อหน่ายไปปรากฏอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็คือพยาน6ออกหน้าเลย ญาณห้าตั้งต้นที่จะละอิเลตจึงสงเคราะห์เป็นพาหาหนาปริญญาอย่างนี้ที่นี้ที่วงเล็บตัวเล็กๆข้างหลังเนี่ยบอกว่าถ้าเทียบกับในสูตรนี้ที่แสดงในสูตรนี้อะไรอยู่ตรงไหนของปริญญาของของญาณ น, นะฮะที่แสดงสังเขปของขันหน่าว่าโดยติมารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงจนกระทั่งถึงวิญ ญ, ญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง นี่เรียกว่าแสดงขันห้าเลยสังเกตเทียบได้กับวิปัสนาเท่ากับแสดงและนำท่านสุติมะให้เกิดให้ได้หรือจูงท่านสุติมะเนี่ยไปด้วยเทศนาแต่จูงการปฏิบัติให้ตามไปโดยให้ได้ยานหนึ่งยานสองยานสามฟังได้ฟังที่ผมพูดเขาที่แล้วนะฟังออกนะเวลาเทศเทศถึงเนื้อความยานไหนเนี่ยคนฟังที่ฟังและบรรุตามก็จะเกิดยา น, น, น เราฟังแล้วก็ว่าท่านสุมาท่านก็เก่งค่อยๆแสดงไปเดิมแต่จริงๆเก่งกว่านี้มีพวก อ, อุปติตันอยู่แบบฟังหัวข้อตั้งหัวข้อประลุเลยไม่ต้องพูดถึงอันิจังทุกขังนัตตาเหมือนอย่างพระสารีบุตรเป็นต้นสังเขปขันห้าในสูตรนี้แสดงอยู่ในข้อไหนเปิดกลับไปดูหน่อยครับเผื่อมางท่านจะลืมไปแล้วหรือจะยังไม่ชัดเจน สังเขปขันห้าแสดงอยู่ในประเด็นในข้อที่สิบอะประเด็นที่สิบหน้าห้าครับโอสุติมาเธอจะเข้าใจข้อความนั้นอย่างไรลูกเพียงหรือไม่เพียงถ้าถ้าสมมติว่าคนฟังแบบปฏิบัติหรือที่ผู้เจ้าต้องการจะให้คนฟังเทศอย่างให้คนปฏิบัติต่างถามว่าลูกเพียงหรือไม่เพียงถ้าเป็นเราก็นั่งคิดคิดใจออกไวปนอกตัวม่เพียงไม่เพียงอคิดบางคนอาจจะไปเห็นอะไรต่างๆต้นหมางลากไม้แล้วก็แต่เออไม่เพียง แต่ถ้าฟังอย่างคนปฏิบัติเนี่ยรูปเที่ยงหรือไม่เทียงแค่แต่เอามือจับเทียมนั่งมือจับแขนขาตัวเองดูแต่แต่เนี่พูดแบบเชิงเปรียบเทียบแต่จริงๆคือรูปเที่ยงหรือไม่เทียงใจกลับเข้ามาพิจารณาด้วยวิปัสนาญาณเลยว่าเที่ยงหรือไม่เทียงก็คืออันไหนเป็นรูปไม่จับได้ท่านไม่ถามว่าโทเทมะรูปรูปคืออะไรรูปอยู่ตรงไหนพอถือว่ารู้แล้วรูปเที่ยงหรือใจก็จับลักษณะรูป แล้วก็ดูความไม่เที่ยงแบบย่อก่อนอยานหนึง 2, ่งยานสองยานสามก็เกิดคื อ, อยังยานสามเนี่ยก็เห็นความไม่เที่ยงของรูปเออขาเรียกว่าพิจารณาโดยความเป็นกลางแบบเหมารวมๆเห็นอานิจังทุกขังาตาแบบแบบกาลาปะสัมมัสนะพูดอย่างนี้ฟังได้บางคนบางคนฟังไม่ได้คือฟังคงลำบากหน่อย ก็อันนี้พี่ต้องพูดอย่างนี้พูดเผื่อไว้ให้คนที่เขารู้ก็ไ ด, ได้ได้ฟังแล้วก็ได้รับทราบไปผมก็จะไม่อธิบายตรงนั้นอันนี้ยานสี่เป็นทีระนาปริญญาพิจารณานี่คือจุดพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปแบบสมบูรณ์และเป็นความรับรู้ตามข้อเท็จจริงเท่านั้นเป็นเบื้องต้นของความรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะเกิดต่อมาโดยลําดับของยานถัดไป นะตรงนี้แหละครับที่ปรากฏด้วยการวิภากษขัน 5, ห้าในพิสดารออกไปคือประเด็นที่สิบเอ็ดว่าขันห้าโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยประรูปอย่างใดอย่างหนึ่งรูปทุกอย่างเป็นอนาตาก็ความถี่ท่วนความละเอียดความ ล, ลึกของการเห็นในจังทุกขังอนาตานั้นแน่ชัดสมบูตรณ์ตรงนี้เท่ากับยานสี่แสดงภูมิยานสี่ตรงนี้และ ยานห้าถึงยานสิบสองนะปรากฏอยู่ในคําว่าย่อมเบื่อหนายย่อมเบื่อหน่า ย, ยบัยบงเอิญไม่ได้วงเล็บใส่ไว้ก็คงจะต้องเติมเข้าไปหน่อยครับปหาหน้ป ร, ปริญญาย่อมเบื่อหนายก็คือในข้อที่สิบสองที่บอกว่าย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเห็นอย่างนั้นเห็นจากข้อสิบและข้อสิบเอ็ดมาแล้วก็ย่อมเบื่อหน่ายตรงนี้อจุดเน้นก็มาอยู่ที่ยานห้าถึงยานสิบสอง เป็นปหานะปณิยาวงเล็บเติมไว้ย่อมเบื่อหน่ายเป็นการประกาศภูมิของยานห้าถึงยานสิบสองอ่ะทีนี้ก็พอมาถึงนิพพานในยานถึงนิพพานในยานคือรู้นิพพานแปลว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์ ท่านหมายถึงมรรคยานที่บาลีเรียกวิราคะที่จะบั่บแแปลงคำว่าย่อมคลายกำหนัตย่อมคลายกำหนัตเป็นปหานะปริญญาเหมือนกันแต่เป็นปะหานะปริญญาขั้นโลกุตระสําหรับยานห้าหรือยานสิบสองเป็นภะณะปริญญาขั้นโลกีโลกีย า, ยานวิปาาัสนาญาณวิมุตติยานที่แปลว่าความหลุดพน้นเป็นชื่อของผลระยาน ที่บารียัเกาว่าย่อมหลุดพ้นวิมุตติจาติย่อมหลุดพ้นวิมุตติยานศทศนะรู้ว่าหลุดพ้นเป็นปัจเจเวขณะยานย่อมรู้ว่าหลุดพ้นตามในข้อที่สองพูดไว้เป็นลำดับๆเราก็เก็บความมาเรียงให้เห็นชัดเจนได้ด้วยแผ่นพังตรงนี้ ข้อความตัวนี้ี่จะมีในพระไตรปิฎกบ่อยที่บอกว่าย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมกลายกําหนับเมื่อกลายกำหนับจะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจะมีญาณอย่างรู้เฉพาะตนว่าหลุดพ้นแล้วและรู้ว่าชาติสิ้นแล้วรูาฌา์อยู่จบแล้วก็คือเป็นอรหันต์กิเลสที่เหลือไม่มีกิเลสที่เหลือแล้ววิบากที่เหลือพิจารณาวิบากที่เหลือคือการเกิดใหม่อหมดด้วยกิเลสที่เหลือก็หมดไม่มีแล้ววิบากที่เหลือก็ไม่มีชาติจึงสิ้นแล้ว เนี่ยพิจารณา้วยปัจเจวคขณะยานวิปัสนาญาณที่สิพบหกพอดีเอาล ะ, ะทีนี้สำหรับช่วงตอนเขาเอกสารเสริมเนี่ยสำหรับตรงนี้แค่นี้ครับแค่สองประเด็นสำหรับประเด็นสามเนี่ยจะไปเกี่ยวตรงอื่นเราก็ต้องดูเนื้อความใ น, นประสูตรก่อนเอาละในอัตตระถานเนี่ยท่านบอกว่าพระอะพระสุสิมะฟังธรรมะมาจนถึงข้อ ที่จริงๆเนี่ยท่านบรรลุถึงข้อที่สิบเอ็ดเนี่ยฟังธรรมม า, มาจนถึงประเด็นที่สิบเอดจบบรรลุเป็นพระาหันแล้วคือความเดินของยานเนี่ยมันมันคือไม่ใช่ว่าจะต้องบางทีท่านพูดไปแล้วเนี่ยบรรลุพอมาถึงตรงนี้ไปแล้วพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้ามาตรัสประเด็นที่สิบสองเนี่ยพระสุสีมาเป็นพระราหาันแล้วที่บอกย่อมเบือ่อไหนใกล้กับไหนท่านตอนนั้นเป็นรหันนั่งรอยอยู่แล้วอคือเรื่องของการบรรลุ อระหว่างเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าคําพูดนะั้นไม่หลุดแล้วก็หลุดบรรลุต่อไม่ได้นะบางทีเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่เมื่อวานพวกเรามาผลดีไปปฏิบัติมาเราก็พูดเหมือนหลายหลคนพูดว่าไปปฏิบัติแล้วเนี่ยใจมันไปรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าก่อนบทเปลี่ยนหลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วก็รวมทั้งผมที่ไปบ่ายครั้งแรกเลยมันไปล่วงหน้าไปล่วงหน้าบางทีก็ไปไกลเลย อันนี้ไมได้คุยว่าเก่งเกินอะไรนะเขาสอนเก่งสอนแล้วก็ทีนี้เวลาเวลาเข้ามีบทบรรยายเนี่ยให้ทํำยังไงเงี่ยนะคนก็ทๆๆๆําตามทำตามบางคนบ ร, รยายหมดแล้วยังไม่รู้มีบางคนเนี่ยพอทําทํามาแค่เนี้ยกําหนดได้ลวงนาใจไปลวงนาเห็นลวงนาเห็นว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปอย่างนี้แต่ไม่ได้คิดนะ่ะมันน่าจะต้องไปอย่างนี้แล้วก็ทําำตามไปไปก่อนเลยบทบรรยายถึงตามหลังมนาะ สำหรับตรงนี้นะ่ะท่านสุสีมาบรร ล, ลุแล้วล่วงหน้าบทบรรยายของพุทธเจ้าตามหลังมาว่าดูก่อนสุสีมาอริยสาวกผู้ได้สัตดับท่านเป็นอริยสาวกอะไรจริงๆก็เลยฟังตรงนี้แบบเป็น阿拉หันรออยู่แล้ว อ, อหมายถึงใครฮนะหมายหมายถึงที่ยกตดวยอย่างถมจะถามท่านสุสีมาเลยถามถึงกนอืนเอาท่านสุสีมารู้ล่วงหน้าเราก็คงจะต้องว่าอย่างนี้ครับ เพาะพุทธเ้าท่านเทศเนะี่ยมันเหมือนกับผมนั่งอ่านเล่ามาถึงประเด็นที่ตรงนี้จบท่านเป็นละหันเลยไอ้ทีแรกนี่ยไม่ลงหน้านที่แรกเนะนี่ย ก, ก็คอยฟั ง, ฟ, งฟังมาพอเข้าเขาเนี่ยเริ่มเริ่มค่อยๆเริ่ ม, ม, ม, มอคืบหน้าเริ่มเกินบทล้ําไปล้ําไปล้ําไ ป, ไปเดี๋ยวน้อยเดี๋ยน้อยเพราะว่ายานเนี่ยมันไม่ใช่พูดเวลาเกิดพรดพลาดแล้วมันยืดอยูนย่ น, นไหนพูดนี่ถึงจะเร็วๆยังไงมันก็ยังมีขอบเขตข้อกําหนดในทางกายภาพ ตอนนั้นก็เลยบรรลุเป็นพระานตอะนั้นบทเทศประเด็นที่สองเนี่ยเท่ากับเป็นการเทศให้ผู้ที่เป็นพรหาหันต์ฟังเออใช่ใช่อย่างนี้จริงๆริงพอท่านบรรลุมาแล้วลูกหน้าแล้วพอมาถึงประเด็นที่สิบสามนี่แหละครับเป็นประเด็นที่กลายเป็นการเทศแบบไม่เป็นประโยชน์ต่อการบรรลุของท่านเพราะอะไรเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าต้องการจะเทศเพื่อ เาเรีกว่าเปลี่ยนวิปัสนาภูมิจากเดิมที่ท่านสุติมะบรร ล, ลุด้วยวิปัสนาภูมิคือขันหะมาเป็นเรื่องของปฏิจจ์เราเรื่องนี้มาแสดงเพราะฉะนั้นท่านสุทิมะฟังเนื้อความของปฏิจจ์ทั้งสายเกิดและสายดับเนี่ยเป็นการทำวิปัสนาแบบกิริยาวิปัสนาแบบกิริยาคืออะไรถ้าหลังเนี่ยเป็นอาหารแล้วยังทำวิปัสนาไม่ทํา ทำเพื่ออะไรท่านก็บอกว่าทําเพื่อเป็นผาสุขแห่งพระธรรมและแลวเวลาท่านจะพรณนาถึงความดีงามของวิปัสนาความประเสริฐวิปัสนาเนี่ยบอกว่าดูก่อนพ่สุจทั้งหลายเธอก็ควรทําเธอควรชวนญาติให้ทําเพราะว่าวิปัสนาเนี่ยส ต, ติปัฏฐานเนี่ยแม่พระอรหันต์ก็ยังทําเนี่ยนั่นก็เป็นอาหารแล้วตอนนี้นะ่ะยกบับไหนขึ้นมาท่านสุริมาทําได้หมด ท่านสุริมาทำไม่ได้อยู่อย่างเดียวคือทำให้เป็นชาลาบีไม่ได้เพราะท่านไม่มีคุณสมบัติร อ, องรับอยู่เป็นการทำให้ท่านสุมาเห็นตอนท้ายถึงถามว่าที่เธอบรรลุเป็นพระอันอย่างนี้หมายความว่าไงเนี่ยเพราะตอนที่บรรลุครั้งแรกก็บรรลุมาแบบสุขาวิปัสสกเป็นอาหารแล้วก็มาให้อารองมาฐานใหม่ฟังไปก็ทำตามไปก็เป็นอย่างกำหนดขนันหัก คือไม่ได้ช้านม่เลยพี่ ญ, ญ่ทำเท่าไหร่เท่าไหร่ชานก็ไม่เกิดกันว่าเราก็เลยดูเนื้อความประเด็นสิบสองและประเด็นสิบสามเนี่ยค่อนข้างเอา้าข้อข้อข้อสิบสองแล้วก็สิบสามมีมีไหมคนอื่นมีผมไม่มีอา่อาอ้าวอ้อสิบสามนะอา่อาดูตรงนี้ว่าท่านตรัสว่าเธอเห็นว่าเธอเห็นว่าตัวเนี้ยตอนนี้วิปัสสนา เห็นด้วยอย่าณเพราะชาติเป็นปัจจัยกมีชะลามรณะหรือตอนนี้นะไม่ได้ฟังปฏิจจาแบบปริยัติแล้วฟังไปทําตามไปแล้วก็ตอบด้วยญาณที่เห็นอยู่ท่านสุนมาศก็ตอบถูกหมดนะเหมือนกับที่เราพูดมาอย่างนั้นพระเจ้ากับแล้วก็ถามเพราเป็นปัจจัยแก่ชาติก็เช่นเดียวกันจนกระทั่งถึงสังขารเกิดขึ้นพระวิชาเป็นปัจจัย ท่านก็ตอบแบบไล่เรียงเห็นชัดเจนหมดนี่เป็นนิโรธปฏิจจสายสมุทัยสายเกิดจากนั้นจึงเป็นการแสดงปฏิยาการสายนิโรธสวัสดสายดับสายดับเนี่ยฟังสายดับคือเมื่อกี้ฟังสายเกิดท่านเองท่านก็ไม่เกิดแล้วมองเห็นตัวเองหมดแล้วดับแล้วฟังสายดับท่านก็ดับแล้วดับเปลี่ยนปัจจัยที่จะทําให้เป็นอย่างนี้แล้วถือว่าดับแล้ว ว่าเพราะชาดดับชะลาและมรณะจึงดับหรืออย่างนั้นพระเจ้าค่ะไปจนถึงเพราะนามรูปดับสังขารดับวิญญาณดับแล้วก็จนถึงว่าเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับหรือก็ตอบว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะนี่เป็นนันว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่เธอทำวิปัสนาแบบสุขาวิปัสกาจึงได้เริมตรัสทักท้วงว่าดูก่อนสุทิมะเธอรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยคำว่าเธอรู้อยู่เห็นอยู่นี่คือ รู้ด้วยอรรถธรรมข้าพัญญาล้วย่อมบรรลุอิทธิมีธีหลายประการคือคนเดียวทําให้เป็นหลายคนก็ได้เป็นต้นหรือก็ถามไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะแล้วก็ถามถึงอุทิศว่าเธอรู้อยู่อย่างนี้เธอเป็นอรหันต์แล้วเดี๋ยวนี้ได้อุทิศไหมที่ประโสตะฟังเสียงสองอย่างได้เป็นต้น ก็ตัดปฏิเสธว่าไม่ไม่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็ตรัสถามว่าดูก่อนสุสีมะรู้เห็นอยู่อย่างนี้หรือเป็นอรหันแล้วเนี่ยรู้ใจผู้อื่นไหมไม่รู้ตรัสถามว่าเป็นอรหันเธอเป็นอรหันแล้วเธอมีมุปเปนิวาสานุสติไหมไม่มีแล้วก็ตรัสถามในส่วนต่อไปว่าเธอเป็นอรหันแล้วเนี่ยได้อรูปฌานหรือเปล่าไม่ได้ความจริงรูปฌานก็ไม่ได้นะสาหรับท่านสุสีมาเนี่ยแต่ท่านถามไปถึงรูปฌานนะเพราะว่าท่านไปถามพระไว้นี่ พอตรัสถามอย่างนี้ท่านสุสีมะก็อ้องขอโทษแต่ตรงนี้ท่านต้องนึกว่าท่านสุสีมะเป็นอาหันต์แล้วนะแต่ก็ทำพิธีการขอโทษตามแบบที่บัณฑิตสาธุชนคนดีจะบึงกระทำพระผู้มีพรภาคยังได้ตรัสว่าดูก่อนพระสุสีมะคำตอบนี้ และการไม่เข้าใจการไม่เข้าถึงธรรมเหล่านี้มีอยู่ในเรื่องนี้บัดนี้เรื่องนี้เป็นอย่างไรแนะน่นี่เป็นการถามอา่าเพื่อย้อนกลับไปถึงปัญหาที่ไปเที่ยวถามพระและแสดงความคิดความเข้าใจว่าที่ว่า <c oughs> เอาเป็นอย่างนี้ไม่เข้าถึงธรรมคือเธอเป็นอารหาันต์และเธอไม่ได้ฌานด้วยเนะี่ยหมายควมว่าง ก็คือเธอจะไปเที่ยวกาเกณนมาเป็นหลานและจะต้องได้ชาติพยาเนี่ยแต่ท่านไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดแยกแยะไว้ก่อนนะก็พูดให้ตอบเองหมายความไปยังไงลำดับนั้นท่านสุสีมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคได้เสียงกล่าวได้กราบทูนพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะโทษได้ตกถึงข้าพระองค์เท่าที่งโง่เท่าที่หลงเท่าที่ไม่ฉลาดคือเรื่องนี้นะ่ะให้เราจำไว้อย่างหนึ่งว่า ในวงการของพระสงฆ์โดยเฉพาะพระิยาเนี่ยการจับจ่วงร่วมเกินเนี่ยเป็นเรื่องแม้แต่นิดเดียวท่านหือเป็นเรื่องรายเล็กอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของคนที่ที่ละเอียดนะฮะอะไรเนี่หน่อยที่ไปร่วงเกินจะคอยระวังและเห็นเป็นเรื่องใหญ่แต่ทรงกันข้ามใครมาร่วงเกินตัวเห็นเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กของตัวนะไอจะรู้สึกว่าใหญ่ก็คือเป็นห่วงไอความบาปไอที่จะเพิ่งเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นผู้อื่น อย่างที่ อ, อพระแก่กับพระหนุ่มเคยพระแก่เคยแสดงต่อพระหนุ่มหงใหญ่ในเรื่องนี้ <c oughs> ก็กล่าวต่อไปว่าข้าพระองค์บวชขโมยธรรมะนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่ผมตั้งใจอธิบายไปเรื่องเสริมใหญ่โตนะที่ภาษาบาลีใช้คําว่าธรรมเถนะโกปปะชิตโตแปลว่าผู้บวชขโมยธรรมะอะผมขออ่านเนื้อความให้จบ ประเด็นไปข้าพระองค์บวชขโมยธรรมะในธรรมวินัยที่พระองค์ตรัส ด, ดีแล้วอย่างนี้ขอพระผู้มีรพรภาคจงรับโทษไว้โดยความเป็นโทษเพื่อความสํารวมต่อไปของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะต่อไปพระผู้มีรพรภาคก็ตรัสว่าเอาเถิดสุสิมะโทษได้ตกถึงเธอเท่าที่โง่เท่าที่หลงเท่าที่ไม่ฉลาดเธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ เปรียบเหมือนเจ้าหน้าที่จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงตัวแก่พระราชาแล้วกราบทูลวา่าแต่พระองค์ผู้ส ม, มุติเทศโจรคนนี้ประพฤติผิดแด่พระองค์ขอพระองค์จงทรงละทรงลงพระอัจฉริยะตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์แก่โจรคนนี้เถิดเดี๋ยวอ่านแค่ตนนัวนี้ที่พูดแล้เปลียนอย่างนี้มาผมถามว่าท่านสุใครเป็นโจรใครเป็นคนจับโจรและใครเป็นพระราชา ในอุปมามยพระพุทธเจ้าเป็นพระราชาใครเป็นโจงใครจับโจรมาแสดงอ่าตนนัวนี้โจรก็คือพระสุสีมาในอดีตอ่อเขาเรียกราเจนบุรุษใช่ไหมตำรวจคนจับโจนก็คือพระสุสีมะที่เป็นพระลานจับตัวเองไปลงโทษเดี๋ยวนี้เรียกว่ามอบตัวนะก็คือจับตัวเองไปลงโทษแพูดเป็นตำหนเิเด็บเตียบหน่อยก็ ก็ไปบอกจะลงโทษยังงก็ได้ต่อไปก็บอกพระราชาเพิงรับสั่งให้ลงโทษโจรนั่นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงไปมัดบุรุษที่ไพลหลังให้มันให้มั่นด้วยเชือกที่เหนียวเอามีดโกนโกนหัวเที่ยวตะเวนตามถนนตามฝีแยกโดยคล้องโดยกลองเล็กๆแท้ออกทางประตูด้านทักษิณคือิศตายแล้วจงตัดศีรษะเสียข้างด้านทักษิณของเมืองระชุบบรุษมัดโจรไพลหลังอย่างมั่นคงด้วยเชือก ที่เหนียวแล้วเอามีดโกนโกนที่ศาพาเทตะเวนไปตามถนนตามสีแยกโดยคล้องโดยกลองเล็กแล้วพาออกทางประตูทักษิณพึงตัดทิศาเสียบเสียทางด้านทักษิณข้างเมืองคือด้านประตูด้านทักษิณเนี่ยเมื่อไรก็เหมือนกันในของเราก็เหมือนกันด้านทักษิณก็ถ้าเป็นอย่างพระเจ้วังก็ประตูด้านทักษิณอยู่ด้านวัดผุชมได้านทิศใต้ด้านนนั้นเจ้าว่าเจ้าปยญญาทิศตะวันออกตามสนามหลวงทิศเหนือไว้ทําการอะไรนะที่ทสำคัญสาคัญแต่ถ้ามีอะไร เกิดเหตุเปิดไปอะไรไม่ดีก็ไปอยู่ทางนี้ทางด้านที่ตา <c oughs> ท่านสุสีมาอสุสีมาเธอจะสาคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไหนบรุษนั้นต้องสเสวยทุกทชมนะมีกรรมเป็นนั้นมากด้วยเหตุอด้วยกรรมนั้นเป็นเหตุหรือหนอป <c oughs> ระกาบทูลมาอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอันนี้ก็ต้องการจะเทียบให้ฟังว่าอันนี้ฟังให้เราก็ตั้งวอนไว้นะว่าการเล่นกับธรรมะของพระพุทธเจา้าหรือเล่นกับพระพุทธเจา้ารุนแรง รุแรงยิ่งกว่าโจรร้ายที่เขาจับมาทําการประจานแล้วก็นําไปสู่ตะแเหลแกงที่ปรหารต่อีกเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเออธรรมะนี่คงจะต้องมีความรับผิดชอบสูงจะเล่นเล่นไม่ได้เพราะว่าการกล่าวตูว่พิจารณ์นั้นเป็นของง่ายของโอกาสที่จะผิดพลาดง่ายเหลือเกินดังนั้นในข้อสิบเก้าจริงๆได้ตรัสว่าดูก่อนชุติมาบุรุษนั้นต้องเสวยทุกลธรรมมนุษอันมีกรรมนั้นเป็นเหตุแต่การบวชของเธอผู้กมือธรรมะ ในธรรมวินัยที่สตาค์ตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้นี้ยังมีผลรุนแรงเผียจล้อนกว่าและยังเป็นไปเพื่อวินิบัติก็คือใบยับยู่มแต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทําคืนตามธรรมเราจะรับโทษนั้นของเธอผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วทํำคืนตามธรรมถึงความตกวนต่อไปข้อนั้นเป็นความเจริญในวินัยของพรรยาอ่ะอันนี้ครับแม้แต่เรื่องการขอโทษเนี่ยนะผมก็จะได่ให้ฟัง เมื่านก็ยั่งไม่ขอโทษก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ยิ่งตั้งเนี่ยท่านยิ่งเราะวังละเอียดกควบคุมตัวเองได้ดีการขอโทษเนี่ยเชื่อไหมฮะบางคนขอโทษแล้วไม่มีพลังบางคนขอโทษแล้วมีพลังบางคนขอโทษแล้วคุ้มบาปความผิดที่ทําบางคนขอโทษแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มความผิดที่ทำหมาย็วามว่าไงถ้าคนไหน <c oughs> มาขอโทษแต่ว่าเราเราทําความผิดแล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นความผิดเราเาขอโทษเนี่ยนะอันนี้แรง ไ ด, ไ, ดได้ได้บุญเยอะแล้วมีบัลลังก์คนมาขอโทษเราทังเกตเลยให้บุพเพฆกขอโทษแล้วไม่หล้ อ, อะไรต่้งหลายเราไม่หายแค้นบางคนขอโทษแล้วแม่อยากจะให้มันแต่ซ้ำอีรักษามทีอย่าแต่รู้สึกว่าเป็นการขอโทษที่ที่ดีก็คือด้วยการชดเชยจ่ายสินไหมอะไรก็แล้วแต่นะหรืด้วยความดีหรือก็ทำให้เกิดความ ส, สั่งซื้ทีนี้ท่านสุติมาเนี่ยท่านเป็นพระอหัน์ความผิดของท่านเนี่ยมันไม่ได้ผิดตอนเป็นพระอรหัน ท่านผิดการเป็นบุตรชนพอมาขอโทษนี่ถือเป็นของที่มีพลังสูงมากสำหรับการขอโทษนี่เราลองคิดดูก็แล้วกันว่า <c oughs> สมมติว่าเราเราเนี่ยถ้าเกิดมีคนดีๆพระดีๆหรือนายกเกิดมาประกาศขอโทษแล้วแหมมคุ้มนะใช่ไหมมาขอโทษแล้วโอ้โขอโทษอะไรเงี้ยให้เป็นที่ปรากฏแล้วทำพิธีขอสมาลาโทษมโอ้โหเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหลือเกิน มันคุ้มความผิดจะเกิดเมื่อไหร่จะมาเผลอทำความผิดแล้วมาขอโทษเราบ้างนะนายกหรือพระเจ้าที่ดีๆอะไรเงี้ยนี่ก็พูดเทียบให้ฟังอะ่ะเพื่อจะเห็นว่าพลังการกระโทษไม่เหมือ น, นอา่าจุดที่มันเป็นเรื่องที่เราจะนํามาขยายความศึกษากันต่อคือเรื่องของการขโมยธรรมะคือคนที่ทําความผิดต่อธรรมะเนี่ยนะมีหลายประเภทเลยกัน อ, อย่างที่ เอกสารเสริมได้บอกไว้แล้วมันมีเอกสารเสริมข้อเอกสารเสริมอีกแต่คิดแล้วก็เปลี่ยนใจไม่แจกรีความหลายหน้าเลือเกินเดี๋ยวเสริมกันไม่จบดิฉันเอาจริงๆก็จะให้เขาทําให้ก็ได้มีอ่ะน า, าผู้การขโมยธรรมะที่บาลีใช้คำว่าธรรมตะตากเทสนโกเป็นคนขโมยธรรมะขโมอยอยังไงแล้วก็การกล่าวตู่ธรรมะ แต่ว่าในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าตู่พระตถาคตก็คือตู่พระพุทธเจ้าไม่มีตู่เรื่องอื่นนะไม่มีใครมาตู่จีวรไม่มีใครมาตู่กุฏิก็มีตอนโดนตู่ก็ตอนตอนจะตัทารู้ตู่ประแทนวัชระอาจหลังจากนั้นแล้วก็ก็ไม่มีใครมาตู่แต่ผู้ตู่เจ้ามีอยู่เรื่องคือตู่คาสอนตู่ธรรมะก็คือตู่พระพุทธเจ้าตู่พระพุทธเจ้าก็คือตู่ธรรมะอภิกขันติ คือการกล่าวตู่ธรรมะแล้วก็การพูดแก่งแย้งก็คือแย่งกันเก่งในธรรมะและการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนการกล่าวแก่งแย่งบาลีเชาวิคคาฮิกคาคถาการพูดแก่งแย้งซึ่งคนดีจะไม่มีลักษณะการพูดเพื่ออย่างนี้การอวดอุตริมนุสธรรมนี่ถือว่าอวดอย่างนี้รุนแรงมาก เ้าอวดว่าฉันรู้นั่นจะรู้ น, นี่ฉันเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดีอย่างนี้นอย่างข้อยอย่างทั่วแต่เอาอวดเอาเรื่องสูงมาอวดเนี่ยโหอะไรแหละ่ะแต่ผู่โตพะเจ้ามีเรื่องคือโตคําสอนแต่โตธรรมะก็คือโตพระพุทธเจ้าโตพระพุทธเจ้าก็คือโ ต, ร ต, ต, ร ต, อตธรรมะอัภาจิกขันติคือการกล่าวโตวธรรมะแล้วก็การพู้แก่งแย่งก็คือแย่งกันเก่งในธรรมะ และการกล่าวอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนการกล่าวแก่งแย่งบาลีเชาวิกคาฮิกาคาถาการพูดแก่งแยง่ซึ่งคนดีจะไม่มีลักษณะการพูดเพื่ออย่างนี้การอวดอุตริมนุษยธรรมนีเถือวอวดอย่างนี้รุนแรงมากถ้าอวดว่าฉันรู้นั่นฉันรู้นี่ฉันเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดีอย่างไรอย่างนี้ยังข้ออย่างชั่วแต่เอาอวดเอาเรื่องสูงมาอวดหนึ่งหัวไรแล้วส่วนความ เห่นผิดอะไรอะไรอยู่ในในข้อกล่าวตูธธรรมะหมดเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดเป็นลำดับไปผู้ขมโมยธรรมะเนี่ยขมโมยยังไงอันนี้ในวินัยเขาก็ได้พูดไว้ถึงผู้ขมโมยธรรมะก็มีห้าโดยเปรียบมันมาโจเรเกี่ยกวก็เป็นมาโจรเลยคือมหาโจรที่ปล้นทรัพย์สินของมหาชน อ, อ, อันนี้เนะี่ยมีบทอธิบายว่า คือผู้ที่พยายามสร้างสร้างภาพในืี่เรียกว่างภาพโดยอลองฟังดูก็ได้นะแล้วผมไม่ไอธิบายก็ได้ตรงนี้ว่าผู้เลวทรามบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจึงจับเป็นผู้อันฟิกษูร้อยหนึ่งพันหนึ่งแวดล้อมเที่ยวจาริกไปในกางมนิคมราชธานี อันเครือหัตและบรญชิตสักการะเคารพนักถือยางเกรงได้เป็นธบาตรจีวรเสนาสนะกีฬานักเพจจศาสะสะเป็นปัจจัยเนี่ยต่อมาเธอก็เป็นผู้ที่อันภิกษุร้อยหนึ่งแวดล้อมแล้วก็ได้กีฬานักปัจจัยเพจจศาชาบริขาระตามต้องการนี่เป็นมหาโชนประเภทที่หนึ่งอันนี้เรียกปล้นล้มบัตรคนคือสร้างภาพตัวเองเพื่อเป็นกับดักล่อให้คนเคารพนักถือแล้วเพื่อได้ราชบัการะชื่อเสียงนี่เป็นมหาโจนประเภทที่หนึ่งเพราะฉะนั้น อันนี้ก็เท่ากับปล้นคนนะปล้นญาติโยมหรือปล้นมหาชนไปที่ไหนที่ไหนก็ปล้นไปทั่วก่อนนึกเอาก็แล้วกันนะประสบการณ์อย่างนี้มีหรือไม่พวกที่สองปล้นปริยัติธรรมของตุโบราณเจ้าเนี่ยอันนี้ถ้าก็บอกว่าดูก่อรพิสุท้งลายอีกข้อหนึ่งผู้เลวทามบางท่านในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมะปินัยอันตถาก็ประกาศดีแล้ว ย่อมยกตนขึ้นอในนี้เขาแปลว่ายกตนขึ้นสาหรับในที่อาเนี่ยอัตโนทาติในนี้คือในที่ผมอ้างถึงแต่บทอธิบายเนี่ยคือลองฟังเดินนะแต่ตา่างก็ฐานแกไปชัดเลยว่าเป็นธรรมเถนะโก <c oughs> คือที่อต่ต่างก็ผู้มันตามต่างกาพูดว่าอัตโนทาติมีความว่าผู้เลวทามเทียบเคียงบาลีและอแต่ต่าอยู่ในถ้ำกลางบริษัทกล่าวพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อนสที่เสีงยงไพเราะ ถูกวินจูชนผู้เกิดมีความปรจจับใจไปถามในที่สุดแทงธรรมกคาถาว่าโอ้ท่านดูจเจริญบาลีและแตระกถาบริสุทธิ์ท่านเรียนเอาจากสำนักของใครก็กล่าวว่าใครจะสามารถให้คนเช่นเราเรียนแล้วไม่แสดงอาจารย์ประกาศธรรมวินัยที่ตนแทงตะละตะแทงตลอดเองคือที่ตนได้บรรลุ ด, ด้วยสยามภูยานกยานที่เข้าถึงเอง อ่าผู้ขโมยทำรรที่คาถ า, าคตทรงบำเพ็ญบารมีซึ่งเสียสงไขยยิ่งได้แสนกับได้แต่สลูกโดยแสนยากลําบากนี้จัดเป็นมหาโจรยมโพธิสัตว์ี่ขโมยธรรมะเดี๋ยวนี้เรียกขโมยลิขสิทธิ์นะขโมยลิขสิทธิ์คนอื่นอาจจะไ ม, ไม่ไม่เสียงตกนกั้นรกแต่ขโมยธรรมะเนไอ้ตรงนี้แหละครับที่สุสีมะถูกเพื่อนใช้มาให้มาบวชแล้วก็มาเอาธรรมะเนี่ยไปเป็นของตัวไปเป็นเครื่องมือ ว่าโดยที่ทํำไมท่านใบฉันและอนุโมทนาด้วยวิธีไหนกล่าวสัมโมทิหาอย่างไรเราจะได้ไปเรียนแล้วเอาเป็นของเราแทรกอะไรแต่แรกของเราเข้าไปนี่แหละแล้วมีอีกลายหนึ่งในเป็นสูตรที่อื่นคือเอท่านสารพะเป็นเป็นปริภาจกเหมือนกันครับอยู่ที่เมืองราชเกลือ ก, ก็เห็นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ในราช ก, กาลากเกิดเดยอะอยากจะได้มั่งแต่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีมนมนผูกใจคนเรียกมนหมายา หรืออาวัตตนีมายาหม่นหม่นผูกใจคนก็เลยส่งให้สรารภัดเนี่ยมาบวชบวชพุที่เอามนต่ทีนี้พอไปบวชแล้วก็ากฏมต์ไม่มีแล้วท่านสารพาารรัดเขนก็เลยบรรลุด้วยก็เลยศึกออกไปมาบวชตั้งนานหาหมดไม่ได้ทั้งหมดพอบวชเข้าไปก็พอสึกเข้าไปวันนั้นเลยตั้งวงเซสนาแสดงถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของการแอบบวชเข้าไปขโมวยมณ์โอย ท่านทั้งหลายเอ๋ยท่านอย่าได้นึกเลยว่าพระสัคคมมาสัมพมทธเจ้จะมีดีอะไรไม่มีดีอะไรเลยผมไปบวชแล้วหาหมดไม่เจอสักบทก็เลยมาพูดสาเสียเรื่องนี้บังเอิญพระเนี่ยท่านมาบินสบาดตอนเช้าไปได้ยินกําลังนินทาพระพุทธเจ้าแหมฉันข้าวมาเรียกอกักตรานโยนะพสอศสึกออกมาแล้วเนี่ยไม่มีดีเลยก็เลยไปฟ้องไปทูนพุทธเจ้าสาพระเจ้าจึงได้สเสด็จกลับมาทรมานจนกระทั่งพูดอะไรไม่ออก พูดไม่ออกอะไรเลยสักคําเดียวเแต่แล้วก็ส่งเสด็จหอกกลับต่อหน้าเลยว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเรามีทำด้วยมีฤทธิ์ด้วยพวกนั้นก็เลยตะลึงจังงังแล้วก็ยอมลดลาวาศนี่เป็นเรื่องประกอบในที่อื่นนี่ก็จะเข้ามาขโมยธรรมะแต่สาคัญว่าเป็นมนส่วนสุสีมาเนี่ยสำคัญว่าเป็นบทสลบลกอะไรพอาะเพลาะฟังและถูกใจคนแต่ดีว่า ท่านสุมไม่สึกแล้วได้เป็นอารานตองค์นั้นสึกไปอันนี้มาพูดถึงมหาโจรปล้นอาลัยคุณของพระอราลยเจา้านี่เป็นโจรพวกที่สามพวกนี้พระเจ้าก็ตรัสว่าผู้เลวทามบางท่านในธรรมอินทรียเนี่ยย่อมกําจัดเพื่อนสมพระจารีผู้หมดจดผู้ประพฤติสมพระจรนท์บริสุทธิ์อยู่ด้วยทำมันเป็นค่าสึกอข้อนี้ท่านหมายถึงประราชิกโจทย์ประราชิกแก่เพื่อนพรมจรันทร์อันหาหมูลไม่ได้ นี่เป็นโจรประเภทที่สามก็ตรงนี้ตรงนี้ก็คือเรียกปล้นจริงๆมันเอาไม่ได้แล้วนะแต่ทั้งหมดนี้เรียกปล้นชื่อเสียงคืออย่างเช่นพระทับพระมาราบุตรเนี่ยผูกพระที่เป็นบริวารของพระเทวทัตโจดว่าธรรมราชิกไปเทียทเท่ยวพูดเที่ยวอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าปล้นตอนจริงก็ทําอะไรล่ราหานไม่ได้แต่โดยอาการของผู้โจดด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ย เรียกว่าเป็นโจรปล้นอารียคุณแต่ปล้นไม่ได้แต่อาการก็คือปล้นนั่นเองแต่ปล้นได้หรือไม่ได้ก็เป็นบาปทั้งนั้นเอาทีนี้มาถึงมหาโจรพทุทธีสีปล้นทรัพย์สินของสงฆ์ตรงนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับไปเคยไปที่วัดวัดหนึ่งแล้วก็ก็พระองคเจ้ายกวาดองปัจจุบันเ่าบอกว่าเนี่ย เาวาดองค์กรขายของในวัดหมดเลยพวกเครื่องไ ม, งม้เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกขายเขึ้นเลยแล้วก็สึกอย่างนี้ก็เป็นอาการรุนหนึ่งทีนี้มันมีหลายแบบแต่แบบที่ที่ท่านกล่าวถึงในที่นี้ก็คือเอาทรัพย์สินของวัดเนี่ยไปลงทุนเป็นแบบที่เรีาลาบต่อลาบตัวเองไม่ได้ลงทุนนะสมมติว่าที่วัดมีมะม่วงก็เอามะม่วงเนี่ยมา ไปฝากโยมไงนะฝากให้เคียงใจโยมย่าได้ถวายมากอย่างอื่นนะก็ไม่ได้ลงทุนเลยไม่ได้เป็นเป็นทรัพย์สินเอาของของวัดซึ่งปกติของของวัดเนี่ยเขาเราียกว่าเป็นของที่ไม่ควรจําแนกแจกจ่ายในวินัยห้ามเป็นของสงฆ์ที่เดียวเป็นของสงฆ์นี่ปล้นของวัดต่อไปก็ขั้วที่สี่โจรปล้นโล ก, กรัฐธรรมของศาสนา คือถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นทหารแต่เอาเอาเครื่องแบบทหารไปใส่ไม่ได้เป็นตำรวจเอาเครื่องแบบตำรวจไปใส่ใส่ไม่ได้นะไม่เด้ไม่ได้มีเครื่องลาดเอาชุดเครื่องลายไปใส่อย่างเงี้ยถ่ายรูปเนี้ยผิดเนี่ยอย่างเมื่อเร็วๆนี้เห็นโจทย์ก็เอาเอาเอาเอาแก้กระทั่งเสื้อคลุยอย่างเงี้ยจริงไม่จริงไม่รู้อะถ้าอต่ทํำก็ถือว่าขโมยขโมยเอาไปใส่ของพวกนี้เป็นของสงวนทีนี้ อันนี้เทียบให้ฟังว่าผู้ใดที่อวดอ้างว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ทั้งรู้อยู่เป็นอริยะได้ชานได้สมบัติทั้งรู้อยู่ก็ไม่ได้เนี่ยเลวขโมยคือขโมยเอาไปใช้ขโมยโลโกตระธรรมขโมยอริยธรรมของศาสนาก็คือพวกปวดอุตริมุติธรรมจะเป็นโจรข้อนี้เนี่ยอันนี้มาดูพวกกล่าวตู่พระตถาคต ที่ผมเก็บความย่อยอมาเพื่อให้ใ น, นความกระทัดรัดพวกกล่าวตู่กล่าวตู่เนี่ยถ้าเป็นของเราก็มีตู่ของตู่นะัคือเอาของค่าตู่ขี้ตู่เนี่ยก็คือตู่คนที่เราพูดในภาษาไทยหมายถึงของคนอื่นแต่ว่าตู่ก็เป็นของเรานะไม่ใช่กระาใจิตนะแต่เข้าใจเข้าใจผิดวันทีเราก็เลยขี้ตู่เหมือนกันแต่ไอ้จงใจจะเอามาเนี่ยมันตู่เลยเหมือนก็คือโกงรูปหนึ่งเหมือนกัน แต่ตูพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีเป็นสองตูย่างรู้อยู่ว่าไม่ใช่แต่ตูว่าใช่กับตูที่เข้าใจผิดเรียกว่าตูซึ่งสิ่งที่ตัวเองพูดว่าพุทธเจ้าพูดหรือไม่ได้พูดแล้วพุทธเจ้าพูดแล้วไปบอกไม่ได้พูดหรือไม่ได้พูดบอกพูดเนี่ยเรียกว่าตูเพราะฉะนั้นการที่เราอธิบายธรรมะผิดนในเลตตูตรงนั้นเลตตูเท่านั้นน่ะ เพฉะน้นคนที่ตูธรรมะจึงมีหลายประเภทครับบางคนตูด้วยทิฐินี่มีมีความเห็นผิดแล้วก็ไปตูอย่างภาษาสติพระยะมกภาษาติไปบวชเข้า ม, มาแล้วก็วเดียวพูดว่ากัปปเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วจิตดวงนี้วิญญาณดวงนี้นั่นแหละท่องเดียวไปปัตทั้งหลายก็มาห้ามไม่ฟังในที่สุดก็ต้องไปทูลพระผู้มีมระภาคทราบปุเจ้าก็เรียกมาถามแล้วก็ส่งอธิบายว่าเราไม่ได้สอนอย่างนั้น นยตู่ได้ทิฏิพระยะมกก็บอาเพรข้าพเจ้ารู้ทุกถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์พระก็มาพยายามชี้แจงไม่เชื่อเลยต้องไปนิ ม, มนต์พระสารีบุตรมาเทศโปรดก็เลยยอมนี่เรียกตูได้ทิติไอตู่ได้มาหนาก็มีปวดแล้วก็ตู่ด้วยความเข้าใจผิด ได้ความรู้เท่ามันจะไม่รู้นะแล้วมีประเภทคือโตด้วยความปรารถนาดีบางทีคนโตอย่างนี้นก็ได้บุญนะความจริงแล้วหน้นหาบุญสำคัญ เ, เดี๋ยวผมอ่านหนก่อนว่าในก้กาวกล่าวด้ในพระธรรมวิชกพูดว่าเป็นสามในในหนึน่งมีสองพวกนะโตด้วยความเป็นผู้มีความโกรธภายในโตสันตโรโกรธข้างในคือคือไม่ชอบเอา ง, ง่ายๆว่าโกรธอย่าเราจะไปโตใครโดยความโกรธพระพุทธเจาเนี่ยคนที่ไม่ชอบ เกลพยดสู้เจ้า ก, ก็สร้างเรื่องตู่เอาบทบรรยายตู่ไปตู่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเรื่างพวกอย่างนี้เรียกว่าตู่้วยความโกรธใส่ร้ายพูดง่ายใส่ร้ายสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พูดไม่ได้สอนเลยไม่สอนเหมือนอย่างอุบาลีกราบดีที่นิครนัสสบุตรส่งมาก็ตู่ด้วยความไม่ยอบเป็นกู้แข่งแล้วก็ตู่โดยที่เป็นผู้เชื่อถือโดยถือว่าผิดผิดด้วยทิฏฐิก็ดีหรือแม้แต่ด้วยศรัทธานะ แต่ศรทาเนี่ยไม่บริสุทธิ์ไงมีความไม่รู้มีความระดับต่ำฟังน้อยก็เข้าใจไอ้กรณีตรงเนี้ยบางทีเราก็ก็เอืนอนใจเหมือนกันคือบางคนเนี่ยก็เห็นมานานแล้วก็รู้สึกแล้วก็เราก็รู้สึกว่าไม่ดีะเราไม่น่าจะทําอย่างนั้นเราควรจะตรงไปตรงมาคือบางทีเนี่ยพอบางคนเข้าไปพูดหรือไปเขียนเรื่องจักรวาลแล้วเอาพุทธพจน์ไปแล้วไปดัดแปลงให้ไอ้ธรรมะในทสมัยโดยที่ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์ทั้งหมดอย่างนั้นทําให้คนนอ่านแล้วเลื่อนสาเพื่อเพื่ออะอย่างนั้น ยังงี้โตแล้วพุทธเจ้านะไม่จําเป็นต้องไปช่วยอะไรท่านแล้วก็อีกหลายเรื่องแต่ละพันเนี่ยคือด้วยความศรัทธาในคาถาวัตถุถึงมีปัญหาประเภทชชที่มิจฉาทิฏฐิเกิดจากศรัทธาเช่นเขาบอกว่าพระพระุทธเจ้าเนี่ยหอมทั้งตัวทั้งภายในไปนอกอุจจาระก็หอมไหมปัสสาวะก็หอมสเลกก็หอมดีก็หอมด้วยความศรัทธาเพื่อจะพูดให้คนเริ่มใสมันเลยเนี่ยยังงี้เสียอนาคตเสียหาย แ ล, แล้วไม่ดีพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ใครมาสแสดงความนับถืออย่างผิดผิดหรือเผยแพร่ธรรมะของท่านอย่างผิดผิดบางคนบอกว่พระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดนะทุกอย่างอะไรโลกเป็นยังไงยังไงรู้หมดอะไรเงี้ยก็พูดได้จริงๆอาจจะรู้แต่ว่ามันก็ต้องมีที่อ้างพอต้องกวนะหรือว่าบอกว่าโอ้ยไอ้เบื้องต้นเป็นยังไงพระพุทธเจ้ารู้แต่ท่านไม่สอนอ่าพวกนี้ก็อดูบรรทุนก็เหมือนเป็นอย่างนั้นคือตรงนีนะ้เราไม่ต้องไปห่วงท่านหรอก ต้องถือนับถือความจริงให้มากกว่าพระพุทธเจา้าเพราะว่าพระพุทธเจา้าถ้าท่านรู้ท่านจริงแล้วก็นับถือความจริงก็คือนับถือท่านนับถือใจตามก็คือท่านอามาดูกลุ่มสองพวกตัวกลุ่มชุดที่สองแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าได้ตรัสไว้นี่ก็พูดพูดไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่าคือทั้งหนังสือแล้วก็ทั้งสิ่งที่พูดพูดจิกอยู่ในเป็นเส้นอยู่ในศาสนาในนี้เยอะ บางคนก็พูดหน้าตาเฉยว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้บรที่จริงควรจะบรรลุที่หลังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหลังเพื่อนเนี่ยแต่ว่าอไปขโมยดอกบัวเลยได้บรรลุก่อนะพูดแล้วมาเขียนผมไปอินเดียไปเจอหนังสืออะไรเขียนโดยพระครูซะด้วยเนี่ยไม่รู้เอาที่ไหนมาเขียนฟังแล้วก็ฟีลไปลึกอเขียนเป็นตุเป็นตาแล้วลองคิดสิคนจะเป็นพุทธเจ้าเป็นด้วยการขโมยเนี่ย ไม่งั้นเขาเวียดนามตอนก็ไม่ต้องไปให้ลูกขโมยลูกชูชกขโมยเมียชูชกเลยขโมยให้หมดจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไวๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องมาแย่งสิทธิ์กันอย่างนั้นอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นตูวเป็นตาแบบนี้อ่าข้อสองนี่เข้าใจง่ายที่มาถึงข้อสามนี่เข้าใจยากผมอ่านพระไตรปิฎกแล้วผมก็ดาวหลายอย่างแต่ต้องต้องไปดูตกระถาก็ได้ความเงี้ยที่ว่าแสดงสูตรที่มีอัดจะพึงนําไป ว่านําไปแล้วสแสดงพระสูตรที่มีอัดนาไปแล้วว่าพึงนําไปในข้อนี้ไหมก็งัยผมจะอธิบายความตัวนี้ก่อนว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็บางทีท่านสแสดงอย่างเช่นนี้ว่าถึงที่สุดเด็ดขาดไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อแม้อย่างเช่นตรัสว่ารูปังอนิจจังรูปังทุกขังรูปังหน้าตาเนี่ยอันนี้ไม่มีส่วนเหลือไม่มีข้อแม้ไม่ต้องไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องไปกรยักไม่ต้องไปมีข้อยกเว้นให้ท่านแล้ว เพราะว่ามีบางคนบอกว่าความจริงเนี่ยตใจลักน้อยไปพุทธเจ้าท่านยังไม่สอนหมดท่านแคยากไว้รักคือสุขลักษณะต้องมีสุขรลักษณะมันมีแต่ทุกขลักษณะท้องสุขมันมีนี่อะไรเงี้ยก็พูดไปตามความคิดของตัวนะที่แท้แล้วสุขลักษณะโดยสภาวะแท้เนี่ยไม่มีลักษณะที่เป็นสภาวะลักษณะเป็นสามัญญาลักษณะไม่มีสุขสุขนี่เป็นแต่เวทนาเท่านั้น เบญ น, นาเองก็โดยลักษณะก็เป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็อถ้าตรัสว่าบุคคลสองประเภทย่อมกล่าวตู่พุทธพจน์อย่างนี้นะถ้าตรัสว่าบุคคลแปลเป็นอัดที่จะพึงนำไปได้คือพวกมันเป็นอัดมีข้อยกเว้นมีอัดมีข้อแม้เพราะอะไรเพราะบุคคลเนี่ยไม่มีจริงอย่างนี้นะหรือสัตวว่าผู้ฆ่าสัตว์ย่อมไปนรก ไม่ได้แปลว่าคนฆ่าสัตว์ทุกคนต้องไปแล้วก็ตกกันหมดแล้วใช่ไม่ใช่ไปสวรรค์ไม่ได้เลยนังน่งๆอย่างน้อยก็ต้องฆ่าอยู่มาแล้วทุกคนอะไรถามจริงๆมีใครบางทีนานไม่เคยฆ่าสัตว์เลยสักตัวเดียวตั้งแต่เกิดมามีไหมไม่มีที่ตรงนี้เขาเรีกตรัสแบบมีข้อแม้มีข้อยกเว้นว่ามันจะต้องไปพิจารณาคือในที่ตรัดใ น, นหมายว่าถ้าคนฆ่าสัตว์แล้วก็กรรมฆ่าสัตว์นําไปเกิดไปนรกแน่เนี่ยมันจะนําไปเกิดได้มื่อไหร่ก็ต้องไปนรกละ จะชาตินี้หรือชาตินาก็แล้วแต่เนี่เรียกว่ามีข้อแม่ต้องอธิบายมีข้อยกเวน้นเพราะนั้นธรรมะช น, นิดสองอย่างนี้ไอ้ความสับสนบางธรรมะในเกิดจใจตรงนี้ตอตรงไหนรู้ว่าอัดควรจะนําไปแค่ไหนยังไงเนี่ยหลายเรื่องเป็นอย่างนี้เป็นร้อยเป็นพันกรณีที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดี <S <S ก็อย่างไ อ, เอง้เรื่องเล่นการพ น, นัน้นี่ว่าต้จ่าบอกว่าทําให้คนไม่อยากแต่งงานด้วยอันนี้คือจริงแต่ที่เขาอยากแต่งงานด้วยเนี่ยเพราะว่าเขามีดีอย่างอื่นใช่ไหมต้องมาแต่งเพราะเหตุอื่น ใช่คนนั้นมันยังอื่นไม่มีดีหน้าตาก็ขี้เหร่จนก็จนนิสัยก็เฮี้ยห ม, มดไม่มีดีสักอย่างและยังชอบเล่นการ์มานานอีกเป็นชีวิตจีใจใครอยากไปแต่งงานด้วยแล้วเรากลับกันว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยเป็นมีลูกสาวคุณอยากแค่ไปแต่งงานไ้คนเล่นการ์มันมีลูกชายอยากแค้ไปได้เป็นสะใภ้ไหมถ้าไม่มีดีอย่างอื่นใช่ไหมมันก็เหมือนกันนี่มันของแน่แต่อย่างนี้เรามีอัดพึงนําไปตั้งชี้แจงว่าท่านตัดท่านเน้นอย่างไร เดี๋ยวบอกว่าแผ่เมตตาแล้วคมห่อคมดาบไม่งั้นมันต้องแล้วไม่เข้ากินยาพี่ไม่เข้าเราแผ่เมตตาเรลองนั่งแผ่ใต้กิโมงเดี๋ยวยาพี่มาตอบป ร, กรากฏเราพัลุกจากเมตตาไปแค่ไปกินน้ํามีจะโลกกระท้องเสียท้องเสียที่อย่างนี้อจะให้หมายความว่ า, างไงตรงนี้มีอาจพึงนําไปเพราะว่าเมตตามันมีหลายระดับ ระดับที่แน่นอนอย่างนี้คือต้องเป็นเมตตาเจโตโดยมุดคือเมตตาของคนได้ฌานถ้าได้ฌานจิตมันสมบูรณ์มันคิดอะไรจะเป็นอย่างนั้นเลยมีพลังคุ้มครองก็จําจง่ายๆว่าอัดที่จะต้องมีมีข้อแม้มีการขยายต่อจะต้องพูดด้วยความระมัดระวังเนี่ยเป็นอัดที่จะบึงนําไปอัดใจที่สมบูรณ์แล้วไม่ต้องขยายอ่อเถียงไม่ได้เลยคาพูดนั้นสมบูรณ์แน่ชัดคืออัดที่ไม่มีข้อยกเว้น ไม่มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นอันนี้มาพูดถึงการพูดแข่งแย่งคือยแยง่งแย่งกันเก่งแล้วมันก็มีประเด็นนึกแย่งในทางความรู้ว่าเรารู้ท่านไหมรู้แย่งในทางการการประพฤติธรรมหรือการการะทำว่าถูกผิดก็ก็เอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นนะแล้วก็เวลาพูดะแย่งการพูดการพูดผิดพูดถูกอย่างโตวอาทีเนี่ยก็แยง่งแย่งกันอย่างนี้แย่งเรื่องผิดทัืงถูกโตวอาทีตามวิสัยเดยนมองลัทธิ สมัยพระพุทธเจ้านะแล้วก็ในแง่ของผลประโยชน์ที่ได้ว่าเนี่ยท่านเนี่ยบวชข้ามาไม่ได้รับประโยชน์กศาสนาข้าววัดไม่ได้รับประโยชน์ผมได้รับประโยชน์นี่คือเป็นเรื่องของการเถียงกันในเรื่องของผลได้อจากศาสนาแล้วก็อว่าท่านผิดพลาดแต่จะแก้ไขคนอื่นอันนี้ก็คืออันนี้ก็ถึงที่สุดว่าท่านเนี่ ย, ต, นนยตัวท่านเองน่ยผิดว่าแต่เขาอีหนาเป็นเอ๊ะในํานองนี้นะ่ะมุ่งที่จะไปแก้คนอื่นเขาท่านน่นแหละจะต้องแก้ไขตัวเอง เนี่ยนี้ก็แย่งกันดีคุณแย่งกันให้จิ่คนหนึ่งเป็นจำเลยให้ได้อ่าทีนี้การพูดอุตตริมนุสธรรมอะไรเป็นมนุษย์เป็นอุตตริมนุสธรรมทำชั้นสูงของมนุษย์ฌานธรรมบัตทั้งหมดอาภิญญาทั้งหมดแล้วก็มรรผลเนี่ยเป็นวัตถุแห่งอุตริมนุสธรรมโดยที่ผู้นั้นต้องกล่าวทั้งรู้ไม่ใช่กล่าวด้วยความเข้าใจผิดหรือได้เหตุผลอย่างอื่นเหตุผล อ, อย่างอื่นกหมายความว่าพูดเล่นๆอะไรก็ไม่เป็น อาล้วครับผมเลยพูดซะจบไปเลยแล้วก็เกือบบ่ายโมงที่ที่แรกก็นี้ก็จะขยักไว้พูดให้มีจิวิษณ์ดานต่อไปก็เลี่ยกันทันหันเพราะว่าอาคุณชนชื่นเข้ามาบอกวาอ่า่คราวหน้าอ่าท่านท่านสมรักษ์น่าจะมาอยู่ยยแถวสะพานใหม่บ้านปุณติลาเนี่ยท่านสมรักษ์มี่เป็นพระที่เดิมก็บวชเป็นเลนอยู่จิตภาวัน แล้ตอนหลังท่านกิตติก็ส่งไปเรียนบาลีที่วัดท่ามาโอแล้วก็บาโค้ท่านเรียนเก่งเป็นพระเป็นเนนที่น่ารักหน้าอ่อนกว่าอายุจริงเยอะเจอหน้าแล้วนึกว่าเป็นเนนแหละแล้วก็เรียนหนังสือนืหาเก่งไปเรียนพมา่านี่เก่งมากเก่งที่สุดเลยนะในภาคปริญญาไปเรียนอยู่ที่วัดสุคันธายง ว, วัดสุคันธายงเนี่ยเป็นสำนักของท่านชนากาพี่วังสระ ที่เป็นพระเขียนตำรามากมายมหาศาลเขียนตำราเก่งมากเป็นพระที่ยิ่งใหญ่ในทางปริยัติของพมา่าน่าศึกษาแล้วก็มีหนังสือประวัติเล่มหนาๆในพิมพ์แพร่หลายติดตลาดหนังสืออยู่พ ม, ม่าเสมอคล้ายๆท่านเจ้าคุณประยุทธเราและท่านสมรักมาไปเรียนแต่ไม่ได้เจอเพราะว่าท่านมณภาพไปก่อนแล้วก็เลยว่าจะนิมนต์ท่านมาภาคบ่าย จะมาทั้งวันก็เดี๋ยวหาว่าหยุดบ่อยนะเพราะฟังนี้มีกิจกรรมจะต้องหยุดอยู่เรื่อยๆอย่เงี้ยจะขยักขยักก็เลยจะให้าอากระสูุนในคนจะไม่พูดนะฮะตั้งแต่ห้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะ เ, เชิญท่านมาฟังพระสมรักอาจารย์สมรักอันมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ อ, อสํานักคันทายงก็คือประวัติของท่านประวัติและงานของท่านชนากาพี่วังสารชื่อมาซ้ํากันกับท่านอุจนาคา ผจากาพิวาังสิ์พิวางศักดิในเป็นวุฒิการศึกษา ส, สูงสุดของทางฝ่ายเอกชนครับที่ถือว่าเก่งมากก็มันจะมาเล่าให้ฟังเผื่อใครไปแถวมันเดลีก็จะได้ไปที่นันถูกแล้วก็อาจจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องการเรียนอะไรๆของท่านเท่าที่ท่านเสียนต้องควจะเล่าแต่จะยกประเด็นประวัติารงานของท่านไว้ของท่านจนารกาพิวางศาักดิ์ก็ขอเชิญท่านมาฟังในคราวหน้าราคแรกก็ฟังผมก่อน และถ้าหากว่าดี behaviour. และมีโอกาสในโอกาสหลังในช่วงระยะเวลาที่ผมไปเข้ากรรมฐานได้อย่างไรเนี่ย <and> ก <friends> ็จะนึกว่าจะนิมนต์ท่านมาบรรยายแบบต่อเนื่องถึงก็คงจะต้องคุยกับท่านก่อนก็ดีครับได้ฟังอ่าผู้ทรงขนบุธที่ไปลําไปเรียนธรรมมาตอนนี้ก็คงจะพอสมควรเก็บเวลานะครับ ขอหยุติสาหรับวันนี้เพียงท่านี้ขอให้แพ่ส่วนกุศลสักนิดหนึ น, นะครับเพราะว่ามีผู้ที่เขาต้องการพึ่งใบบุญของเรามารอรับบุญของเราอยู่ที่ไหนมีการอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกับที่ที่มีการแจกทานเป็นโรงทานถ้าเป็นมนุษย์ยาจกอนาถาเขาก็มาพึ่งพาในทางวัตถุแต่สำหรับเปตอาศุลกายหรือผู้ที่ได้รับทุกใน อวัยภูมิหรือแม้แต่ในเทวโลกก็ตามทั้งที่ไม่มีทุกข์บุญของเราก็จะช่วยเสริมบารมีของผู้ที่อยู่ในสุคติอยู่แล้วขออัญเชิญเชื่อเชิญท่านที่มีความทุกข์มีความต้องการด้วยปัจจัยสี่เรื่องยังชีพมีทุกขเวทนาด้วยโลกไปใครเจ็บที่เกิดขึ้นจากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งและมีความทุกข์ในใจก็ตามมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ตาม รวมทั้งเทพยายดาสัมมาทิธิอ่าแม้ว่าไม่จําเป็นที่จะเพื่อบุญของเราเราก็ต้องการบูชาบุญของเราแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อเสริมบารมีของท่านเรื่อเทพยายดาท่านใดที่ท่านมีความทุกข์หือจะหมดบุญต้องการบุญก็ขอให้บุญของเราเป็นเครื่องเสริมบารมีของท่านขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวถึงโดยประเภทโดยจำพวกมาแล้วเนี่ยขอให้ได้ ร, รับทราบอย่างกันและกันให้ทราบมาสู่ที่นี้ ตั้งกายประนมก่อนน้อมจิตอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าที่อุทิศให้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำโดยตนเองทำรวมด้วยผู้อื่นอันมีการฟังธรรมที่ได้ฟังมาเป็นหลักในปั้งเช้าวันนี้การบริจาคทานสลาทรัพย์ถิ่นใส่บาทที่บ้านการทำอภัยทานการทำทานแม้อื่นๆทั้งหมดบนกระยาอื่นๆทั้งหมด ขอจงเป็นบุญญาณุภาพโดยรวมกับทุกท่านทุกคนที่อยู่ที่นี่จงเป็นบุญที่ตกถึงท่านขอให้สิ่งที่ท่านปรารถนารู้อยู่เห็นอยู่โดยเร่งด่วนจงสำเร็จผลสิ่งใดที่เป็นทุกข์ความเดือดร้อนอัน ท, ท่านไม่ปรารถนาจงสูญสลายมาลายไปโดยสิ้นเชิงโดยฉับพลันสิ่งใดที่ท่านต้องการโดยเร่งด่วนขอให้สิ่งนั้นจงปรากฏสำเร็จสมบูรณ์แก่ท่านโดยฉับพลัน และขอให้สิ่งที่ท่านต้องการในระยะในขั้นที่สองที่สามต่อๆไปท่านจงอธิษฐานล้ำลึกนึกถึงและขอให้เกิดโดยลำดับโดยเร็วที่สำคัญนั้นขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้านี้จงเป็นส่วนเสริมสร้างให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์เป็นสัปปะยะเจริญในทานกุศลในศีลและกุศลใน ภาวนากุศลทั้งสมถภาวนาทั้งวิป e ัสนาภาวนาอบรมตนให้ได้ชีวิตได้อัตภาพันประเสริฐลุ่งเลือนขึ้นไปเรื่อยๆโดย amy, ลําดับโดยลําดับเป็นประโยชน์เพื làm, voters, ่อกูลแก่ตนและเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่บุคคลรอบข้างที่ท่านอยู่ที่ท่านไปที่ท่านเกี่ยวข้องในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและขอให้ความปรารถนาที่มีแก่ท่านที่ข้าพเจ้าอุทิศุนแก่ท่านนั้น เป็นเช่นใดก็จงปรากฏแก่ข้าพเจ้าได้แก่ข้าพเจ้าอย่างนั้นเช่นเดียวกันสัพเพสัตตาอาเวลาบพยาป ช, ชาอานีขาสุกีอัตานังปริหารันตุประชุมทันีี